พรงนี้หลวงพ่อเพเทศในกรุงเทพวันนี้พวกเราเลยน้อยหน่อยค้างชั่วฮะหรอหรือว่ากดน้อยๆหน่อยคลังชั่วหน่อยพระท่านไม่ได้พาเด็กไปเที่ยวพระมาเยอะ <c oughs> ศึกษาทำมาไว้พนะักเพียรอดทนไปวันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยววันหน้าก็เข้าใจแต่ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่มีวันเข้าใจเข้าใจเมื่อไหร่จะรู้ว่าพวกเรามีบุญมากนะเราเกิดในแผ่นดินที่ศาสนาพุทธยังดำรงอยู่แล้วเรารู้จักเลือก ศาสนาพุทธเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีค่าจะ ไ, ไปตกปนเปื้อนในครัวในตมอยู่ดูภายนอกเหมือนศาสนาเราแย่มากเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเยอะแต่แท้จริงแล้วเนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยมันไม่เคยเสียหายเลยมันอยู่ที่เรารู้จักเลือก ถ้างโง่ก็ไปเรืองเอาก้อนกลวดไปเรื่องเอาขี้เลนขี้ใสอะไรถ้าฉลาดก็เรื่องเอาเพชรเอาพลอยออกมาได้อยู่ที่บุญวาสนานะบางคนเข้าวัดที่ใดก็มีปัญหาทุกวัดเลยเมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งบ้านจะอยู่เมืองการ หลวงพ่อตอนนั้นอยู่เมืองการบนใหม่ๆแกมาเรียนกับหลวงพ่อนะและ้วแกก็มาเล่าให้ฟังผมเป็นคนณาภัพไปเรียนกับครูบาอจารย์องค์ไห น, น, นก็ประราชิกหมดเลยหลวงพ่อเลยบอกอย่ามายุ่งวัดเรานะ <c oughs> ตามสถิติเธอเนี่ยใช้ไม่ได้เลยดูไปแล้วไม่ใช่อะไรเราไม่ฉลาดชอบเรื่องปฏิหารชอบอะไรที่เกินธรรมดา ไม่ได้สนใจธรรมะแท้ๆนะแกริสหลายชื่อมาให้ฟังแนละ้วเข้าใจเลือกอาจารย์จริงๆนะสารพัดเลยนี่พวกเรารู้จักเลือกธรรมะนะรู้จักสนใจว่าศาสนาพุทธจริงๆเนะมีจุดหมายปลายทางเพื่อความพ้นทุกข์ เมื่อใจเราเข้าถึงความพ้นทุกข์แล้วใจจะมีสันติสุขไม่ใช่สุขธรรมดามเป็นสุขที่เป็นเรียกว่าสันติสุขเป็นสุขที่สงบไม่มีอะไรสงบสุขเท่าพระนิพานพานพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่มีความแปรปรวนคงที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีเจ้าของเงรนไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานแร้แล้วก็เอานิพพานไปด้วยไม่ใช่ท่านทิ้งวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาใจของเราไปสู่นิพพานนิพพานไม่ใช่โลกของอุดมกตินิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่สิ้นตัณหาไม่มีความอยากเรียกว่าพิราคะ นิพพานไม่ฟูงซ่านปรุงแต่งอะไรทั้งสิน้นไม่ปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงความว้างพ้นจากความปรุงแต่งเรียกวิสังขารเรียกว่าวิสังขารนิพพานไม่มีรูปนามพ้นจากรูปจากนามไปพ้นจากอาสวะกิเลสเรียกว่าบิมุดนิพพานเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์ หรือว่านิโรดมีคําเรียกหลายคำนะํคำคําว่าสันติเป็นชื่อของนิพพานนะวิมุตติวิราคะอะไรนีชื่อของนิพพานทั้งนั้นแสดงคุณสมบัติแต่ละด้านแต่ละด้านของพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่จริงๆรนะิแต่ไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมนั่นนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่ง สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปกับนามรูปประธรรมนามธรรมถึงเรียกว่าโลกนิพพานพ้นจากรูปจากนามไม่เรียกว่าโลกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ว่านิพพานนั่นดีวิเศษสูงสุดแล้วจบอยู่แค่นั้นถ้าท่านพูดลอยๆว่านิพพานดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นบรมสุขมีสันติสุข ไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีความปรุงแต่งเราพังพูดแค่นี้เราจบคำสอนคำสอนของท่านไม่น่าอัศจรรย์ใครก็พูดได้คิดถึงสภาวะอะไรดีๆ่นแล้วก็บรรยายไปเรื่อยๆแล้วบอกเนี่ยจุดสูงสุดจุดสูงสุดของแต่ละาศาสนานเลยไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ มีพระเจ้ามีอะไรงั้นไปพุทธเจ้าไม่ได้สนใจพระเจ้าท่านสนใจว่าทำยังไงจะไม่ทุกทำยังไงจะพ้นจากความทุกข์พราะพระเจ้าก็ยังทุกข์อยู่นะใครดูหนังแขกไหมพระเจ้าเดี๋ยวก็โกรธสาบขุนโน้นแช่งคนนี้ใครมาไหว้ถูกใจก็ให้พรมีโลภะมีโทสะมีรูปมีเมียมีเลย พระเจ้ายังโมโหนะอะไรเงี้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้เอาสิ่งซึ่งยังแปรปรวนได้มาเปลี่ยนที่พึ่งที่อาศัยท่านสอนเราให้เข้าถึงสัจจะถึงความจริงทํำยังไงเราจะพ้นทุกข์ท่านสอนมาถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่สอนแต่สภาวะวันนิพพานดีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกวิธีปฏิบัติเพื่อจะถึงพระนิพพาน ตรงนี้ต่างหางะที่น่านับถือท่านท่านก็บอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกปลายทางจะบอกปลายทางเอาทุกคนไปนิพพานนะนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้แล้วเลิกไม่พูดต่อล้ก็ไม่น่านับถือเท่าไหร่แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางจุดสําคัญก็คือพวกเราเรียนรู้ทางไม่ใช่เรียนรู้ปลายทางนะ ปลายทางนะั้นเรารู้แค่ว่าเราจะมุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกเราจะต้องพ้นจากทุกสิ้นเชิงนี่คือปลายทางวิธีการปฏิบัติอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเราก็คือการพัฒนาจิตเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงจุดที่สิ้นตัณหาถ้าตราบใดที่ใจยังมีตัณหายังมีความอยาก ใจจะมีความที่นรนปรุงแตง่งใจยังมีความทุกข์อยู่งั้นบางทีท่านพูดถึงนิพพานนะว่าเป็นสภาวะที่สิ้นตัญหางั้นเราจะไปถึงพระนิพพานได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการมันต้องละมันให้ได้คือตัวตัญหาเคยได้ยินมาว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละตัวตัญหานะั่นแหละคือตัวสมุทัยคือตัวที่เราต้องละ เนี่ยเรามีเป้าหมายเรามีวัตถุประสงค์เพื่อความพ้นทุกข์อยู่ไกลๆ่ล น, น้นมีเป้าหมายที่ต้องละตัณหาวิธีปฏิบัติเพื่อละตัณหาทำยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่พูด ล, ลอยๆว่าทำให้สิ้นตัณหาถ้าลำพังพระพุทธเจ้าพูดบอกต้องสิ้นตัณหากนะ็ายังไม่น่าศักดิ์สิทธ์เท่าไหร่ยิ่ถ้าบอกว่าต้องนิพพานพ้น วารเวนไวด์ตายเกิดอะไรเงี้ยก็ยังไม่น่าอัศจรรย์ถ้าท่านบอกว่าต้องทำลายตัณหาไปก็ยังไม่น่าอัศจรรย์เพราะบางศาสนานะเขาก็สอนว่าต้องทำลายตัณหาให้ได้จะถึงโมกษะถึงความหลุดพ้นพวกนี้ก็สอนให้ละตัณหาถ้าดับตัณหาได้ก็จะพ้นจากทุกข์สอนคล้ายพระพุทธเจ้ามากเลย แต่พระพุทธเจ้าลงลึกต่อไปอีกวิธีละตันหาทำยังไงเห็นมในท่านชี้เป้ามาทีละจุดทีละจุดนะวิธีที่ละตันหาเนี่ยมีสารพัดเลยอย่างคนทั่วไปเวลาอยากทำอะไรวิธีละตัญหาก็คือสนองตัญหาเวลาเราสนองตันหาได้แล้วตัญหานั้นก็หายไปไอันนี้เป็นวิธีแก้ผิดสงของตัญหานะ ด้วยวิธีที่ต่ําที่สุดคือการสนองตันหาอย่างสัตว์มันก็ทําเป็นมันอยากมีลูกมีเมียมันก็ิดเที่ยวไล่ปล้าสัตว์ตัวเมียอะไรเงี้ยมันสนองตันหามันพอมันสนองตันหาได้มันสบายใจมันมีความสุขขึ้นมาละบางพวกก็คิดว่าการสนองตันหาเนี่ยไม่ทําให้พ้นทุกเนี่พวกนี้ฉลาดขึ้นมานะอย่างพวกหนึ่งคิดว่าสนองตันหาไปเรื่อยๆแล้วจะพ้นทุก กระทั่งในศาสนาพุทธก็ยังมีพวกบางนิกายที่เพี้ยนออกไปคิดว่าเมากเลฟมากมากแล้วใจมันจะเบื่อคิดว่าทำมากมากแล้วเบื่อตัวกามเนี่ยสนองเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพระพุทธเจ้า บ, บอกไ่าอย่างนี้ดูแต่ว่าสาวกเพี้ยนๆนะแคคิดว่าสนองกามมากๆแล้วอิ่มได้ ในศาสนาอื่นก็มีเรื่องสนองกิเลสตัณหามากๆนะวันหนึ่งใจจะเบื่อกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นวิธีการแก้ตัณหานะพวกหนึ่งตอบสนองมันไปเลยอีกพวกหนึ่งปฏิเสธมันไปเลยอย่างบางพวกเขารู้ว่าต้องละตัณหาแต่วิธีละตัณหาของเขาก็คือฝืนมันไม่ยอมมันสักเรื่องหนึ่ง มันอยากกินก็ไม่กินอดข้าวไปเลยนะมันอยากนอนก็ไม่นอนยืนขาเดียวไปเรื่อยๆทรมานตัวเองพวกดูสีชีพไหลและพวกนีนะ้ทรมานทำตัวเองให้ลำบากเรียกว่าสุดโต่งไปข้างอัตตกิลมัฐานุโยคพวกนึงตามใจกิเลสตามใจตัณหาพวกนี้เรียกว่ากลุ่มกามสุขาริการุโยคอีกพวกนึงต่อต้านตรงข้ามทุกอย่าง อยากนอนสบายเลอนอนบนหนามเลยอยากจะสุขสบายอยากจะกินก็ไม่จะกินอยากจะนอนไม่นอนอยากทำอะไรทรมานมันไปทุกสิ่งทุกอย่างหวังว่าวิธีนี้จะดัดสันดานทำให้ตัณหาหมดไปได้ซึ่งมันไม่มีวันหมดตัณหามันเกิดได้อีกถ้าเหตุของตัณหายังมีเขาสาวไปไม่ถึงว่าอะไรคือเหตุของตัณหาเหังนั้นเขาจะมามุ่งแก้ที่ตัวตัณหา แก่เท่าไหร่เท่าไหร่น่ะเดี๋ยวตันหาก็เกิดอีกเพราะเหตุของตันหายัางอยู่เพราะพระพุทธเจ้าของเราลึกซึ้งนะท่านมองทะลุลงไปอีกอะไรทำให้ตันหามีอยู่อวิชามีอยู่ตันหาถึงจะมีอยู่เพราะงั้นท่านจะมุ่งมาที่การละอวิชาอาวิชาคือความไม่รู้ความจริงของอริยสัจสไม่รู้ความจริงของอริยสัจที่จริงไม่ได้มีแค่สี่ข้อนะ มีแปดข้อไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้เหตุและผลที่สัมพันธ์กันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรครวมแล้วแปดข้อคือตัวอวิชชาศา ส, สนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุและผลเป็นเรื่องของเหตุและผลท่านดูจากผลแล้วท่านไม่ลาที่ผลแต่ท่านจะมาลาที่เหตุ เพราะตราบใดที่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นเสมอนะอย่างพวกเราเนี่ยทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องเจ็บทำไมต้องตายเหตุของมันก็คือเราเกิดมาแล้วเพราะมีความเกิดแนละ้วถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ต้องอยากไม่เกิดด้วยนะต้องทำให้ไม่เกิดถ้าจะมองมาที่ต้นเหตุเหมือนเวลาไฟไหม้ เราเห็นตำรวจดับเพลิงไปเอาน้ำไปฉีดดับไฟในความเป็นจริงไม่มีใครดับไฟได้แต่ที่เขาดับไฟได้นะเพราะเขาดับเหตุของไฟเหตุของไฟมีอะไรบ้างความร้อนสูงมีอุณหภูมิสูงที่เขาเอาน้ำไปฉีดนะเพื่อลดอุณหภูมิลงพออุณหภูมิต่ำกว่าจุดสันดับไฟก็ไม่ติดไฟก็ดับไปเนะี่ยเพราะเหตุของไฟมันดับไม่ใช่เพราะเราไปดับไฟได้ ถ้าเรายังมีเหตุหองไฟอยู่ไม่มีทางดับไฟได้มันมีเชื้อเพลิงบางทีบ้านติดตดกันมั่งๆนะไฟไหม้ลามมาเรื่อยๆต้องลือบ้านทิ้งไปบางหลังสกัดไม่ให้ไฟลา ม, มาหรื อ, อยังไฟไหม้ป่าถ้าไฟไหม้ป่ามาเราต้องถางพื้นที่รอบๆตัวเราให้โลง่ลงๆหน่อยไฟเข้ามาไม่ถึงบ้านเราอย่างบ้านอยู่ตามทุ่งเนี้ยเขาชอบเผาทุ่งนะ ไฟลามมาไม้บ้านต้องคอยถางหญ้าไว้ให้มีแนวกันไฟเรียกแนวกันไฟไไฟไม่มีเชื้อไฟก็มาไม่ได้เพราะงั้นอย่างเวลาไฟไหม้นะถ้าไม่มีเชื้อเอาเชื้อไฟออกไฟไฟก็ดับหรือไฟจะไหม้ได้ต้องมีออกซิเจนเพราะฉนั้นอย่างไฟไหม้รถยนต์เนี่ยเขาก็เอาโฟมไปฉีดไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปที่จุดที่ไฟไหม้ อออกซิเนเข้าไฟไม่ได้ไม่มีเหตุละองค์ประกอบของไฟไม่มีละไฟก็ดับกระทั่งการดับไฟเรายังดับที่เหตุเราไม่ได้ดับที่ตัวไฟการดับทุกขก็ต้องดับที่เหตุของทุกอะไรเป็นเหตุของทุกขก็มาดูนะพระพุทธเจ้าพาเราชี้ลงมาตัวตัณหาเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวเหตุของทุกแล้วทำยังไงจะดับตัณหาได้ต้องดับเหตุของตัณหาอีกที ดับลงมาเรื่อยๆนะสุดท้ายเนี่ยท่านสาวลงมาเรื่อยๆกระบวนการที่ท่านสาวจากผลมาเหตุจากผลมาเหตุลงมาเอยท่านสาวลงไปจนถึงต้นเหตุที่แท้จริงคือตัวอวิชชาเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุจึงมีความปรุงแต่งสังขารเป็นผลเพราะมีความปรุงแต่งคือมีสังขารเป็นเหตุจึงมีวิญญาณมีจิตเป็นผล พรอมีวิญญาณเป็นเหตุจึงมีรูปนามเป็นผลเพราะมีรูปนามเป็นเหตุจึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นผลเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุจึงมีพัทธะเป็นผลการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุจึงมีความรู้สึกสุขทุกความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกเป็นผลเพราะมี วเวเตนาเนี่ยความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเหตุนะก็เลยมีตัญหาเป็นผลนะเพราะมีตัญหาเป็นเหตุจึงมีความยึดถือเป็นผลเพราะมีความยึดถือเป็นเหตุนะจึงมีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตเป็นผลนะเพราะมีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตนะจึงมีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นผลเพราะมีการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะตัวนี้เรียกว่าชาติ คือความได้มาซึ่งตาผูจมูกลิ้นกายใจมีชาติคือมีความเกิดขึ้นมาก็จะมีความทุกข์เป็นผลเนี่ยพุทธเจ้านะท่านสามารถมองทะลุเหตุและผลเหตุและผลท่านดูจากผลมาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ต่อไปผลตัวนี้เกิดจากเหตุอะไรอย่างท่านดูความทุกข์มีทุกข์เพราะมีเหตุคือมีชาติมีความเกิดคือการได้ตาผูจมูกลิ้นกายใจมา ถ้าค่อยๆสาวนะมีชาติมาไล่มาจนถึงมีตัณหาตัวหลักๆที่เป็นหัวโจโกนะเป็นส่วนของกิเลสที่เราจะต้องละนะคือตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนะสามตัวเนี้ยรากเงาของมันก็คือตัวอวิชชาอาวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจนั้นเราต้องมาเรียนเรื่องอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าเคยบอกพระนนนะว่า ถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยาาสัจสี่ยังไม่พ้นการเวียนว่ายไตเกิดนั่นอริยาาสัจสี่เป็นธรรมะที่สําคัญมากที่เราจะต้องเรียนให้ได้ยากแค่ไหนก็ต้องเรียนที่จริงแล้วถ้าเคยฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยากเท่าไหร่หรอกมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยสอนให้มนุษย์ทําได้ไม่ใช่สอนแล้วทําไม่ได้อริยาาสัจสี่เริ่มจากทุกข์ ท่านก็บอกด้วยว่าอะไรคือตัวทุกข์อาการที่ทุกข์ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะมีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์มีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีการประสบสิ่งที่ไม่รักนะมีความไม่สมปรารถนานี่เป็นอาการต่างๆของทุกขนะ์แต่ว่าตัวต้นต่อของมันจริงๆนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์จริงๆนะ่ย คือตัวรูปนามตัวกายตัวใจถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายได้ไหมมันไม่ได้ถ้ามันไม่มีกายมันก็ไม่มีการแก่การเจ็บการตาย่นั้นตัวที่เรียกว่าทุกข์ที่แท้จริงนะไม่ใช่อกหักลักคุดเป็นทุกข์นะตกงานเป็นทุกข์นั่นเป็นแค่อาการปรากฏเท่านั้นเองตัวทุกข์ที่แท้จริงนะคือกายกับใจของเรานี่เองหน้าที่ต่อทุกข์คืออะไร หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้มันอย่างที่มันเป็นหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนละเอียดนะสอนว่าทุกข์คืออะไรนะทุกข์ในนิยามในความหมายของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปรู้จักทุกขเวทนาพระพุทธเจ้ารู้ทุกขที่ลึกซึ้งลงไปอีกหลายอย่างนะรู้จักทุกขลักษณะทุกขลักษณะอยู่ในไตรลักษณะ รู้จากทุกข์สัตริย์อยู่ในอริยสัจสี่ทุกแต่ละตัวเนี้ยไม่เหมือนกันสิ่งที่คนและสัตว์ทั้งหลายรู้จักเนี่ยคือทุกขเวทนาทะนะเวลาไม่สบายเป็นทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้จักไหมเวลาเหนื่อยเป็นทุกข์เวลาหิวเป็นทุกข์รู้สึกไหมอย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเวลาอกหักเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขเวทนาทางใจนะร่างกายไม่อกหักร่างกายไม่มีความรู้สึกอะไร ใจของเราเนี่ยพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักอกหักขึ้นมากนะ็เป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกขเวทนานะส่วนทุกขลักษณะเนี่ยอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือเห็นไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นลักษณะร่วมเป็นลักษณะทั่วไปของสิ่งซึ่งเกิดจากเหตุอย่างร่างกายเราเกิดจากเหตุเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ย ต้องมีอนิจจังทุกขอังอนัตตานะจิตใจของเรามีเหตุถึงจะเกิดขึ้นมานะก็เรียกว่าเป็นสังขารนะสิ่งที่เกิดจากเหตุเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขารสังขารร่างกายจิตใจก็มีสังขารทางจิตใจเมืนะ่อมันมีเหตุมันถึงจะเกิดนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นก็ดับ ตรงนี้ถ้าเราเมื่อไรเราเห็นไตรลักษนะเราจะรู้เลยสิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุเนี่ยนะมันเหตุมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะเหตุมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีเหตุที่หยุดนิ่งคงที่นะเหตุก็เปลี่ยนนะพอเหตุมันเปลี่ยนตัวมันอยู่ไม่ได้นะคำว่าอนิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีถึงจุดหนึ่งมันจะต้องไม่มี อย่างร่างกายที่เป็นตัวเราเป็นนายนันน่นนายนี่นางนั่นนางนี่อะไรเนี้ยนางสาวเด็กหญิงเด็กชายอะไรเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นอย่างร่างกายเราชีวิต จ, จิตใจเราเนี้ยไม่เที่ยงเคยมีแล้วถึงจุดหนึ่งจะต้องไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังแล้วของที่กําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีนี่เรียกว่าทุกขขังเนี่ยตัวทุกข์คือตัวที่บีบคั้น ร่างกายนี้ถูกบีบคันอยู่ตลอดเวลาที่จะให้แตกสลายพวกเราก็พยายามต่อสู้เพื่อรักษาร่างกายนี้ไม่ให้แตกสลายอย่างหนาวเกินไปเราก็หาไฟมาผิงหาฮีเตอร์มาใช้หาผ้ามาหม่มอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายหิวข้าวถ้าหิวไปนานๆร่างกายก็แตกสลายเราก็พยายามกินข้าวเข้าไปกินเข้าไปแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อนะต้องการขับถ่ายเราก็พยายามขับถ่าย ถ่ายไม่ออกก็ต้องไปกินยาถ่ายเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ร่างกายนี้แตกสลายเราต้องประคบประงมต้องดูแลต้องรักษานะเพราะว่าร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จะต้องไปกินข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องไปห้องน้ำแล้วไม่สบายทีต้องไปหาหมอนะบางคนรีวิวโรงพยาบาลมากกว่าอยู่บ้านอีกนะเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อรักษาแต่ว่ารักษาได้ไหม ถึงวันหนึ่งก็ต้องแตกสลายหมดปัญญาที่จะรักษานะหรือการนั่งของเราเนี้ยมันก็ถูกบีบคั้นนะให้นั่งต่อไปนานๆไม่ได้นั่งนานๆแล้วเป็นไงเมื่อยใช่ทนไม่ได้เนี่ยก็ทั่งรูปที่นั่งอยู่เนี่ยก็ถูกบีบคั้นให้ต้องเลิกนั่งนะอยู่ไม่ได้ตัวเนี้ยที่เรียกว่าถูกขังทูกลักษณะ อนนีจังหมายถึงว่าของซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีมันต้องดับไปทุกขังหมายถึงของที่กําลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปนะอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเพราะมีเหตุนะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่คืออนัตตานะี่ทุกขลักษณะนะส่วนทุกขษัตริย์เนี่ย ตัวกายตัวใจตัวรูปตัวนามนี่คือตัวทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายเราจะไม่มีอาการปรากฏของความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่มีจิตใจเราจะไม่มีอาการปรากฏของการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักนะความไม่สมปรารถนาต่างๆดังนั้นเพราะมันมีจิตใจนะแล้วตัณหามันทำงานขึ้นมาได้งั้นเราจะเรียนรูนะ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย คือการรู้ทุกคําว่ารู้ทุกคือรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไว้คาว่าวิปัสสนาไม่ใช่คําประหลาดอะไรเลยนะวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจจนกระทั่งสามารถมีปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ ปัญญาที่เห็นความจริงของรูปนามกายใจเรียกว่าวิปัสนาปัญญานะการเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงเรียกว่าตัววิปัสนาปัตสนะแปลว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งคือเห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์ถนะึงจะเป็นวิปัสนางั้นเราพยายามดูลงไปเรื่อยๆนะรู้สึกอยู่ในกายดูซิมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันสุขหรือมันทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้ ดูลงไปในใจนะดูซิใจจิตใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงบั ง, บงคับได้ไหมนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ดูลงไปเรื่อยๆบางทีเราก็ดูว่าร่างกายเราก็เป็นสุขนะนะแต่ดูไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยไอย้ตอนที่เรารู้สึกร่างกายเป็นสุขเนี่ยเพราะตอนนั้นความทุกข์มันลดลงสุขจริงๆไม่มีมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไหร่ทุกข์น้อยก็รู้สึกเป็นสุข จิตใจของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นไหมใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าเรามีสติปัญญาดูลงไปเรื่อยๆนะเราจะพบว่าจิตใจเรามีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่มีสุขใครเคยเห็นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วเห็นใจมันไหวบ้างใครเคยเห็นความไหวที่กลางหน้าอกบ้างตรงที่มันไหวมันสุขแล้วมันทุกข์ ดูลงไปเรื่อยๆนะถ้าดูลงไปเรื่อยๆเราจะพบเลยว่าจิตใจเนี้กระเพื่อมวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสบายเลยไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความสบายจริงเลยมันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาไม่นคล้ายๆเรานั่งรถที่วิ่งไปตามถนนอย่างเงี้ยโครงเครวโครงเครงอยู่ตลอดวันอ่ะมันมีความสุขสักที่ไหนล่ะพอถนนมันเรียบหน่อยอย่างเวลาเรานั่งรถไปถนนเรียบๆเนี่ยรถกระเถิณไหม กระเทือนน้อยหน่อยเห็นไหมถ้าเจอหลุมเจอบ่อกระเทือนมากนะเครื่องล่างแทบจะพังเลยตัวขว้้วสั่นหัวครอนรู้สึกทุกข์มากพอถนอนมันเรียบๆหน่อยก็รู้สึกไม่ทุกข์แล้วแหมสุข่างตรงเนี้ยถ้ามีสติมีปัญญามีความไวในการเห็นนะจะรู้ว่ามันก็กระเทือนกระทบแล้วก็กระเทือนนะไม่มีหรอกกระทบแล้วไม่กระเทือนต้อนะงสิ้นการกระทบเลยนะ งั้นใจของเราเนี่ยนะมีความทุกข์ทุกครั้งที่รับอารมณ์ตามองเห็นใจก็กระเทือนหูได้ยินเสียงใจก็กระเทือนจมูกได้กลิ่นใจก็กระเทือนลิ้นกระทบรสใจก็กระเทือนร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนออนแข็งตึงไหวจิตก็กระเทือนใจก็กระเทือนขึ้นมาจิตไปคิดใจก็กระเทือนขึ้นมาอีกเกิดเตือนขี้มมาได้เรื่อย เรายังไม่ได้อยู่ในที่สงบสันติอย่างแท้จริงเลยเราถูกเขย่าตลอดเวล า, าถูกเ ข, ย, ข ย, ย่าเขย่ายี้ทั้งวันเขย่าแรงบ้างเขย่าเบาๆบ้างนะเวลาไปนวดรู้สึกไหมหมอนวดนวดเบาๆมีความสุขใช่ไหมหมอนวดกดแรงๆเจ็บมีความทุกข์ไปดูให้ดีตรงที่เขานวดตอนที่ถูกนวดนะ่ะ เจ็บเหมือนกันนะแต่ว่าดูไม่ออกยกไปใหหมอมนวดมันมือหนักเราสังเกตไหมยิ่งหมอนวดมือหนักๆนะนวดเราเจ็บมากเลยพอเลิกนวดนแล้วสบายเอแง้อล้วเมื่อกี้มันจะตายม่ตายแหล่จะแข้งขาจะหักแล้วตอนนี้หยุดนวดไปโอ้ตัวเบาโล่งเลยมันคอนทราสสูก่กระทุกน่้นมันหลอกเรานะ พอทูกน้อยแลนะมันก็รู้สึกมีความสุขอย่าบางคนไปเข้าคอสกรรมฐานเจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างอนะไรอย่างนี้เข้าแบบเคร่งเครียดมากเลยนะบางที่นะเขาให้นั่งอยู่ในที่แคบๆนะั้นกระดกุกระดิกไม่ได้เลยนะนั่งอยู่งนะั้นทั้งวันทั้งคืนนะถึงขนาดจะอือจะฉี่ก็ปล่อยมันเลยตรงนั้นเลยแล้วก็นอนนั่งจมอือจมฉี่ไปเลยนะบางที่เขาฝึกกันอย่างนั้นนะหรือบางที่ก็ กำหนดจะทําอะไรกําหนดทุนเครียดไปหมดเลยแล้ววันที่กลับบ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้มีความสุขจังเลยนะคอสนี้ดีจังเลยปฏิบัติแล้วมีความสุขมากเลยเพราะมันเป็ตกนรกมา ก, ก่อนนะพอพ้นนรกก็เลยคิดว่าขึ้นสวรรค์นะมันแค่นั้นเองอะ่ะมันเทคนิคจิตวิยาแค่นั้นเองอะ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกนะเราั้นจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์จิตใจนี้เป็นทุกข์ นะร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องดูแลต้องปริบัติอยู่ตลอดเวลาจิตใจเนี่ยกระทบกระเทือนตลอดเวลานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระเทือนใจไหวไหวแรงบ้างไหวเบาบ้างหลวงพ่อนะเห็นจิตตัวเนี้ยไหวไหไหวไวตั้งแต่เป็นโยมนะเห็นไหวอย่อยางเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเพราะสติเราดีเนะพราะสติเราดีจริงๆเนีนะนะเราเห็นมันไหวไหวไปเรื่อยว่ามันมีแต่ทุกข์นะ นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ตื่นอยู่ก็ทุกข์หลับอยู่ยังทุกข์เลยหลับเนื้อจิตก็ยังไหวแล้วก็ยังเห็นอีกนะมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้ไห ว, วปิ๊บปั๊บปิป๊บั joy. อยู่ทั้งวันทั้งคืนโอ้ทุกข์จริงๆนะทำอย่างไรจะสิ้นทุกข์ไดใ้ใจนะ่ะเร่าร้อนรู้สึกว่าเราไม่สามารถอยู่อย่างนี้ต่อไปได้แนละ้ว เราทำไมชีวิตเราเกิดมาเราต้องจมอยู่ในความทุกข์ขนาดนี้เนใจรู้สึกอย่างนี้ได้แต่เป็นโยมนะขยันภาวนามากเลยว่าทำยังไงจะพ้นจากกองทุกข์อันนี้ได้เนี่ยพอเราเรียนรู้ความจริงนะพระพุทธเจ้าบอกทุกอ ะ, อะไรคือทุกกายใจคือทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้ไม่ใช่หนีนะไม่ใช่หนีทุกนะทุกให้รู้งั้นใจเราไหวขึ้นมาเราก็รู้ไปนะร่างกายเรา เป็นยังไงก็ค่อยรู้ไปลู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตัวนี้แหละคือคําว่าวิปัสสนานะถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่เราจะละสมุทัยเมื่อนั้นนะถ้ารู้ทุกเขี่ยมแจ้งเมื่อไหร่เราจะละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือตัวตันหาหน้าที่ต่อตันหาคือการละแต่การละตันหาเนี่ไม่ใช่ละด้วยการตอบสนองไม่ใช่ละด้วยการต่อต้านแต่ละด้วยการรู้ทุกเนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะ เมื่อตอนต้นหนวงพ่ดพูดและใช่ไหมบางคนละตัณหาด้วยการตอบสนองบางคนละตัณหาด้วยการต่อต้านทําสิ่งที่ตรงข้ามกับที่อยากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนสองทางนั้นนะท่านสอนวิธีละตัณหาด้วยการรู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เมื่อไหร่เราจะละสมุทัยละตัณหาเมื่อนั้นเลยถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกขนะ์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุข ความดิ้นรนที่จะความดิ้นรนหรือความอยากเนี่ยที่จะให้กายให้ใจไม่ถูกความดิ้นรนที่จะมีความอยากนะให้กายให้ใจเป็นสุขเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะความอยากไม่เกิดแล้วความดิ้นรนจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความดิ้นรนจะไม่เกิดมันมีความอยากขึ้นมาใจมันถึงดิ้นรนทำไมใจมีความอยากเพราะมันโง่ ความอยากทั้งหลายเราไปดูให้ดีเถอะมันอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทั้งนั้นแหละอยากดูหนังฟังเพลงก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์ไม่ว่าจะอยากอะไรนะลงท้ายมันก็คืออยากให้กายให้ใจของเรามีความสุขไม่ทุกข์นี่แหละแต่ถ้าเมื่อจิตมันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยจิตคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกว่าทุกข์น้อยความอยากมันคือความไร้เดียงสา อยากให้มันไม่ทุกเนี่ยไรยเดียงสาอยากให้มันมีแต่สุขเนี่ยไรยเดียงสาเพราะความจริงคือมันทุกเมื่อมันต้องทุกจะไปอยากให้มันไม่ทุกเนี่ยไรยเดียงสาไหมเนี่ยเราจะเรียนความจริงของกายหวนใจนะจนใจยอมรับความจริงกายนี้คือตัวทุกใจนี้คือตัวทุกตัวเนี้ยถ้าเราเข้าใจถึงความจริงตัวเนี้ยเรียกว่าเราล้างความไม่รู้คืออวิชชาลงได้แล้วตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดนะใจ ไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีการดิ้นรนความดิ้นรนเรียกว่าพบนะเรียกว่าพบหรือสังขารถ้าใจไม่มีความอยากใจจะไม่ดิ้นรนใจเวลาอยากมากๆดิ้นรนแรงรู้สึกไหมถ้าอยากน้อยก็ดิ้นรนน้อยนะถ้าหมดความอยากก็ไม่ดิ้นรนทำไมถึงหมดความอยากเพราะฉลาดรู้ว่าความดิ้นรนหรือความอยากนั้นโง่อยังอยากไม่แก่เนี่ยโง่ไหมอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายโง่ไหม มันโง่นะมัอยากให้ร่างกายนี้มีแต่ความสุขอยากให้ร่างกายนี้ไม่มีความทุกข์อยากให้จิตใจมีแต่ความสุขอยากให้จิตใจไม่มีความทุกข์กายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วนะนี่เรียนจนกระทั่งทำลายความลงผิดตัวนี้ได้นะตัณหาจะไม่เกิดอีกเมื่อตัณหาไม่เกิดอีกจิตจะเข้าถึงสภาวะที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งมันหมดความอยากเรียกว่าวิราคานะ หมดความดิ้นรนปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นวิมุตต์ก็เข้าถึงสันติสุขเข้าถึงพระนิพพาน น, นี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้เราไว้ <นะ S 1> เป็นของสำคัญนะเส้นทางนี้ศาสนาอื่นไม่มีที่อื่นมีแต่ว่าทำยังไงพระเจ้าพอใจอะไรเงี้ยพยายามประจบประแจงอะไรงมันไม่พ้นหรอก งั้นศาสนาพุทธเนี่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลเรียนรู้ลงมาแล้วท่านไม่ได้บอกว่าจงเชื่อนะไม่เหมือนศาสนาอื่นหรือลทัทธิอื่นที่บอกต้องศรัทธาต้องเชื่อก่อนศา ส, สนาพุทธบอกให้มาลองพิสูจน์ดูพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดไม่ใช่บอกกับผู้อื่นว่าจงเชื่อเถิดเพะฉั้นหลวงพ่อท้าพวกเรามาลองดูกายดูใจตามความเป็นจริงดูเถิด แล้วจะเห็นผลด้วยตัวเราเองเอาไปกินข้าวเพื่อบำบัดทุกข์ไปนี่มันอะไรครับ